ตามประเณีเี่นก่อนหลกี่วันก็เอาฝึกมาไม่ว่าอะไรข็ให้บวชให้นี่ประเณีชาวบ้านนี้ยบอบวชกขบวชกันไปบวชตามตองตามประเณีของหมู่บ้านเขาธรรมเนียมของจังหวัดของอำเภอ บวชนี้งสงสารหายะ <c oughs> ก่อนจะบวชก็ไดี๋ี้พิ่เจนนะมีศรัทธาเต็มจิตเต็มใจพอแม่วังเกิดเก่าอนุญาตให้บวชยินดีในการบวชผูบวชก็มีศรัทธาเต็มเตี่ยมในจิตในใจบวชไปก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาทำดีในสั่งใจประพฤติ ป, ปฏิบัติ อย่างไรก็จะไม่ยอมอยู่ในสงสารต่อไปเจนก็จะไม่อยู่ตายก็จะไม่อยู่ทุกขก็จะไม่อยู่สุข ก, ก็จะไม่อยู่นี่แต่ถ้าจะหนีจิตยังวงจิตจ <c oughs> ิตของเนทสงสารเมื่อไรจะตั้งใจปฏิบัติความหลุดความพน้นถึงทุกขยยากลำบากขนาดไหนก็จะตั้งใจเอาชีวิตเป็นแดนนี่คือบวชนี้สงสาร ตัน้าตั้งต า, าพึ่งปฏิบัติบวชนี้สงสารบจิต่างจิตต่างใจเผยจะนี้สงสารอย่างนั้นถึงแม้เด็ศึกษาเราเรียนอะไรมาไม่ก็ตามแต่ขตั้งหน้าลักกิเลสศึกษาทำที่ในในใจสิจ่งใดมันไม่ดีมันชั่วมันเสีย หลบกดหลงนี่อยู่ในใจมากน้อยเท่าไรจะขับไล่จะทําลายครูอาจารย์ท่านเคยพาประพปิปฏิบัติอย่างไรถึงไม่ได้ดูเรียนตามแบบตามแผนก็ดูท่านเรียนดีตาดีหูเรียนดีใจครูอาจารย์ที่ไหนที่ท่านกระพือ ป, ปฏิบัติเพ่งคัด ตาณหน้าตัณ迦ภาวนาละกิเลสท่านจะดูดา่าขัที่ก็ไม่ยอมหนีจากท่านไปอยู่ไปศึกษาตางหน้าปฏิบัติเอาจริงเอาจังนัง่นคือผู้บวดนี้สงสารจิตใจมันก็ค่อยตสงกค่อยเย็นค่อยเย็นคอยย่นคอยรู้ดีขึ้นทุก ระยะถุกเวลามิจเคยวบคิดตามจีเลียตันหาก็ค่อยตกไปหมดไปเข็นอาจเขียนคํแจ่มใสชัดเจนเข้าไปละถอนเรื่อยไปของมุงมันต่างจิตเอาชีวิตเป็นแดนเป็นก็จะไม่อยู่ตายก็จะไม่อยู่ในสงสารนันนี้ ตางหน้าเจนี้จริงจังต้องทำได้ทุกอย่างทางดีไม่ปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันหน้าปฏิบัติจิตใ จ, จแก้ไขความสิทธิของตัวบวชนี้สงสารบวชประเภณนี้ทิงแม่ยังมีชีวิตต้นหาอยู่นักปลาด ทั่วไปเขากระสันระเสริญยินยอให้คนที่ทำบุญซุนทานก็สันคิดอ่านจะห น, นี้สงสารไม่ใช่จันไม่ได้ตายใจนอนใจจิงได้จีเป็นพิดเป็นภัยเป็นพบเป็นชาติสันพยายามทำลายอยู่ตลอดระยะตลอดเวลาเว้นจะหลับที่แจ้านาเพื่อจะแกไข จิตใจของตัวให้พ้นจากทุกอยู่สม่ำเสมอถึงยังไม่หมดจากกิเลสตัณหาัึงกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ว่าสรนปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกทำลายสังสรารจักบวชสัท่ามสงสาร เข้าวสุกกว่าอีกอ่ะของชาเนนไม่ด้ไปของไปต้มที่ไหนเหรอมีจะเขาหามาให้ของสุกๆทั้งนั้นของดิบเขาไปเอามาไม่ว่าอาหารประเภทใดนอกจากผักสดเท่านั้นที่เขาหาของดิบมาให้ส่วนเนื้อส่วนปลาส่วนข้าวเขาจะนึ่งตรงหึงหุงเยอะก่อน เราทำให้สุขเสียก่อนอไอ้จริงมาถวายบวชมาก็เห็นว่ า, า, าร้องอาก่าวลาอาหารมาถวายหลับตื่นลืมตาก็นมนี้ต่ยผันอยา่นั้นไม่มีาการคิดการอ่านที่จะทำความภาคความเพีพยรอะไร มีการศึกษาทำลีในใน้ันมีการปฏิบัติกายใจเพื่อละ ก, กิเลสฐานได้แต่เข้าสุกแต่กิเลสปัญหาไม่ฐานมันจะเกิดมากเกิดน้อยเท่าไรก่กนปล่อยมันไว้มันทับถมเจมทีกายใจอยู่อย่างนั้นัคือบวชฐานเขา้าฝุ่นไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้กุมาบำรุงบำเลยก่ไม่เป็นบุญเป็นกุศล เหมือนกันกับอ า, อาวุธให้จนตนศาสนสาเยียบย่ำทำลายบวชฐานความสุขบวชสนุกเฮฮาบวชมากกว่าหาตังแ่การเล่นการเพลินต่างหตา่ภางๆมาพิสปิบัติอะไรที่ไหนมันเปิด ม, มันเพลิน ม, มันเออเลยเฮฮาชอบไปดู ชอบทำขึ้นบวชหนุกเฮฮาเขาว่าหลายบวชมีปัญญาตัวดูเอาพิจารณาเอาสิ่งใดมันจะเป็นสาระประโยชน์รีบสนับสนุน การบวชมันมีมากน <c oughs> อกจากนั้นยังมีปีกย่อยไปอีกหลายอย่างที่นักปฏาบัตครูอาจารย์ท่านผูกเอไว้บวช ก, ก่อกังวลนบวชสมต้นโดยกี้เลียบบวชตรงเดชดหางเงินก็มีบวชมาแล้วตังว้น ว, นวุนไวกอยากได้อันนั้นอันนี้ กังวลในจิตในใจแต่อยู่เป็นฆร า, าวาสก็ยังมีศรัทธาต่างหน้าอยากมาบําเพ็ญรักษาศีลภาวนาพอปวดเข้ามากังวลกับสิ่งนั้นกังวลกับสิ่งนี้ไหนมี่วีแวที่จะเพืปฏิบัติมีแต่กังวลในจิตในใจอุ่นไายในจิตในใจจิตไปเรื่องโลภเรื่องสงสารจิตอ่านทาั้ง ไม่เป็นอาจเป็นทำรรหยุ่งยงในจิตในใจตัวยังไงแล้วยังวุ่นวายกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องนี่คือปวดกอกังวลในบวดสกวดความส ง, ส ง, งบสงัดปวดซึ้งด้วยที่เละจิตฝุ่งฟุ้งไปในทางใดที่จะลาขาตัหาสำเร็จคิดไป นักบวชไม่มีการงานอาไม่ฝึกรักษาไม้างรวมกายวิจใจมันก็มีแต่สมกิเลสเท่านั้นกิเลสมันหมักกแสดงออกทางตาทางหูทางปากทางกายจนผู้คนเห็นเขาก็เบื่อหน่าย นักบวชแบบนี้มีมากเท่าไรก็ยิ่งยำยีทำลายศาสนาให้สิบหายปนปี๊คนที่มีศรัทธามาเห็นกบบื่อหน่ายคลายศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธามา ก, ก่อนเห็นเขาเขาก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วมมีใครอยากจะมาทำบุญทุนทานมมีใครอยากจะมอบลูกมอบล้านให้บวช พอนับวช ด, ดูแลมันไม่งามตาไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิดสัทธาเหลื่อมใสบวชส้วตัวหนก่ิเลบวชตรงเดชหาเงินก็บวชมากกหารายได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หามหาหานลหาเงินงนี่นะเดี๋ยวก่อนงานขึ้นจัดงานขึ้นเพื่อจะได้เงินไนลทอง หาในวัดในพอออกไปหาเสียรายตมหมู่บ้านต่างๆไปดูแล้งก็ไปหาขอข่าวขอตาเขามาขายบางทีไปทางนั้นทางนี้จนหมดช่องทางล้วก็ไปตั้งกลางถนนคนผ่านไปผ่านมารถราลองขอเอาไปก่อไปสั่งอันนั้นอันนี้บด ส่งเดชหาเงนินก็ได้เงินได้ทองมาแล้วก็โดดออกจากวัดจากว่ามีหลายอย่างสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกคนนี้ปัญญาส่วนตัวคนนี้พิจรนารณาคนนี้ปัญญาเท่านั้นที่จะทําโลกให้เจริญทำจิตทําใจของตัวให้เจริญ น ม, มีปัญญาแล้วรักษาอะไรไม่ได้ตาบตร์อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเพราะไม่มีปัญญาท่านเชมีตาให้ดูมีหูให้ฟังมีใจให้คิดกิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจแต่ไม่เขา้ า, เขาใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักษาความจเจริญได้ มีแต่ทางทิ่จะทำลายเขาก็ทำมันผิดถูกอย่างไรแล้วก็นามาพิจารณาดูหไเ้ยยินก็นดีใจมันนึกมันคิดก็ดีมันผิดมันถูกบ่มาพิจารณาดูมีปัญญาเท่านั้นแ่ะจะได้เสียบคน โง่แต่มันโง่เหมือนกันหมดมันก็เสมอกันหมดมันไม่เป็นแบบนั้นมันจึงมีพ่อมีแม่มีปู่ใหญ่มีเด็กมีจิตมีอาจารย์มีคนพ่านมีบัณฑิตโลกอันนี้มันมันมีอยู่อย่างนั้นมันมีปัญญาต่อิี่จหน้าเอา ฉลาดหา ท, ที่เหมาะสมทำบุญทุนทานอะไรมันก็ได้ผลมากเพราะมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเห็นแบบเป็นพระขาเหลืองๆหัวหล่นๆก็เสมอกันหมดถ้าทำแบบนั้นมันก็ขาดปัญญาแทนที่จะได้มากกว่าได้น้อยลงไปเพราะปัญญาเราไม่มีเคยพูดแห่งฟัง เรื่พระพุทธเจ้าขันเปล่าเป็นภาสิตธ์เอาไว้วิจัยญาทานังทาตุบังกระถาดินังมหาพลังภาสิตธ์เห็นไหมใครควรเทียก่อนจึงให้ทานจึงทำบุญวิจัยะาดานังดาตับัง ยาถาดินนังมหาพลังเมื่อไข่ควรเห็นหว่าเหมาะดีแล้วทําลงไปในบุญมากเหมือนกันกันกบคนทำนํำนาในที่ดินดีถึงเราจะลงทุนนิดๆหน่อยผลตอบแทนมันมากยาถาดินนังมหาพลังบุญเป็นกุศลมากกานกูดถึงเรื่องของท่าน สมัยที่เป็นโพ ธ, ธิสัตว์ยังปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าแต่เป็นเวลามาพามเป็นสามมหาศาลมีเขาของเงินทองมากม า, กายกายกองมากเอรจริงจริงแจ้งจังถาฟังตามาำรับตำราที่เก่าเอาไว้ คิดว่าในประเทศไทยของเรากงคงจะไม่มีสมบัติเท่ากับท่านสมบัติของท่านมากพออายุแก่มากก็เลยเกิดศรัทธาอยากบวชแต่ไม่มีศาสนาบวชก็เป็นฤาษีทีภัยธรรมดาแต่อยากจะบำเพ็ญทางศีลและบารมี ต่ก็เลยให้ทานเท่าของของท่านให้ทานมากให้ทานจนหมดของมีเท่าไรกล่าวไว้กี่ว่าของในประเทศไทยจะไม่จะไม่เท่ากับสมบัติของท่านก็กล่าวถึงภาชนะทองคำแปดหมืนสี่พันใบลึกสิบหกสอง พอปากกว้างจนสามารถเอาเกวียนเข็นไปได้แล้วก็ น, นำรัตรนะลงใส่เต็มตั้งแปดหมืนี่พันใบของในประเทศไทยของคำขงงกวงจะไม่ถึงนั้นนอกจากนั้นช้างมา <c oughs> อะไรต่างๆแลวนะให้ทานไปหมดจำนวนมาก พอมาตัดสรุ้เป็นพระพด้เจ้าพิจารณาดูการทำบุญทุนทานแล้วก็เลยได้พระจิตมาตัดเอาไว้เสื่อสอนคนต่อไปว่าการให้ทานทาอย่างไรมันจึงจะเกิดผลเกินประโยชน์ท่านบอกว่าท่านทำคราวนั้นโดยไม่มีพระผู้มีศีลมีแต่คนทุสศีล ที่ให้ทานไปทานหวานไปเลยเน่ยเดีมีพระอริยะเจ้ามารับใครต้องการอะไรก็ให้เข้าไปให้เข้าไปทานมากขนาดนั้นเท่ากันกับเอ้ข้าวทับพี่หนึ่งหรือข้าวก้อนหนึ่งใส่บาตรพระโซดาบันเท่านั้นอี่านนี้ส่งได้เท่านั้นไ น, น้อย มาก ท, ทั้งที่ทานจิตประมาณไม่ได้ของที่ให้ไปมีคุณค่าราคาสูงมากแต่อันนี้สงเลยนิดเดียวเขาให้เ ข, ข้ า, ขาใส่บาทเพียงทัพพีเดียวกว่าทาให้แจ่พระโซดากว่าเท่ากับอันนี้สงี่ท่านใ้ทางคราวนั้นทาไให้พระอจิทากะนาคารหันหร่อ ก็มากไปกว่านั้นต่างหลายท่านเท่านี่คือไม่ใช่ว่าท่านไม่มีปัญญานะเพราะไม่มีเงื่อนาบุญไม่มีปฏิฆาหกสีควรรับพยาานแต่ท่านก็จ่าจะออกก็คือปฏิบัติก็เลยให้ทานไปเึงนทานใหญ่ทานเตอ่อขนาดนั้น อันนี้สงก็มีน้อยอย่างนั้นจึงสอนให้เลือกไม่ได้สอนให้ทำสุ้มสีสุ้มห้าคนที่มีปัญญาเลือกคัดจัดหาสถานที่ใดควรจะเป็นผลเป็นกำไรต่อการทำบุญทุนทานของตัวก่อนทำสถานที่ใดเห็นว่าไม่เหมาะดีทำไปจะ ไม่ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็หยุดอย่าไปนสนับสนุนแต่ ใ, ให้พี่ใจ้าะด้วยใจเป็นธรรมอย่ากพี่เจ้าแบบของโลกชอบจิตพอใจรักใครกับใครถึงคนนั้นจะมีอาจมีทมหรือไม่แล้วก็ยินดีทาไป ไม่เอาแบบนั้นที่ไหนไม่เหมาะไม่ดีเราไม่ควรทำเพราะทำไปแล้วผลมันได้น้อยเหมือนกันกับพวกเขาทำนาทำสวนนะ่ะเขาต้องดูที่ดิน แต่่ายิ้นดานเขาจะไปทำไปทำแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรให้เพราะมันไม่มีปุ๋ยที่จะรอเลี้ยงคือพันเหมือนนั้นพองอกกินมากอ็อตายไปกาต้องเลือกฮะสถานที่ที่ที่มันดีต้นไม้ใบหญ้ามันบอกต้นไม้ใบหญ้าที่ไหนมันเจียวสดงดงาม ที่นั้นแสดงว่าดินดีถ้าเรา <c oughs> ได้ยากออกเอาขื่อผลต่างๆ่างไปปลูกมันก็งอกขึ้นงามขึ้นที่ไหนต้นไม้ใบหญ้าไม่มีหรือมีก็เหนียวแห้งไม่จเจริญที่นั้นก่อแสดงว่าีดินมันไม่เหมาะดีถึงปลูกฝังขือผลต่างๆลงไปมันก็ไม่ค่อยจะ บอกงามให้ได้ผลน้อยมีหมายถึงขีดดินต้นไม้ใบหญ้ามันบอกว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของพระของเจ้านาบุญของโลกก็เท่ า, ทานางเดียวกันก็ดูขอวัดปฏิบัติดูอัดดูทำสีสันประพฤติเข้าใจไหมมีคนนิยมชมชอบมากก็เป็นคนดีคนดีไปหมด เขาไม่เกี่ยวข้องก็จะว่าเป็นคนชั่วไปหมดนี่มันไม่ถูกแล้วสองปีนี้พี่เจนะดีแต่เขาไม่รู้ไม่ถอยใจไม่ก็มีชั่วแต่เขาหลงไหลเชื่อถือว่าดีมันก็มีพูดง่ายง่ายหยับๆยับขี่ถึงเป็นขอน้ขอเหนี่ยงข้อเม้นคนธรรมดาไม่ต้องการปรารถนาแต่ก็มี สัตว์บางประเภทมันชอบมันชมทั้งๆ ท, ที่คนไม่ปราถนาแต่สัตว์บางประเภทมันก็ยินดีศรัทธาอยากจะได้อยากจะชมอยากจะอยู่อยากจะกินนี่ก็ทำนองเดียวกันคนชั่ว มันมีจำนวนมากกว่าคนดีที่ใจทราบอ่ะอันนั้นมันดีมันมีคุณค่ามันทราบยากหาก ม, มีปัญญาหากม้พิจารณาจริงจังแต่นั้นอรัตชีคนชั่วคนพานอยู่ในศาสนามีคนศักดิ์ารบูชามีคนเหลื่อมใสสศรัทธามันก็นับไม่ได้ละ ทีู่้ดีมียางอายสัางหน้าสัางตาปฏิบัติรักษาธรรมนี้ในแต่ท่านไหมไปจบไปแจ้งกับใครสั่นอยู่ตามเรื่องของท่านไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้คนภายนอกอยากจะอยู่สงบสบายแต่เฉพาะท่านคนทั่วไปไม่ค่อยได้พบได้เห็นหรือพบเห็นท่านก็ไปแสดงออก ว่าท่านเป็นผู้ดีวิเศษอะไรเราก็ทราบไม่ได้เขาไม่ไปเกี่ยวข้องเหลื่อมใสท่านคงจะเป็นชาติแต่เนียดจันายเป็นชาติไม่มีคุณธรรมอะไรจะดูหมิ่นนินทาถ่กไปก็ไม่ถูกท่านอาจจะดีมีคุณค่าอยู่ในตัวของท่านก็เป็นไดน้แต่นั้นเรามีตามีหูมีใจ ดูเอาฟังเอาพิจารณาเอาเอาทำเอาวินัยเขาไปตรวจไปวัดเหมือนกันกับคนไข้ของมีประหลอดระวัดดูมันไข่ศูนย์ไข่ต่ำขนาดไหนประหลอดมันจะบอกให้นี่ทำวินในของพระก็ทำนองเดียวกันเขาเหลื่อมใจแับทาไม่ว่าทีไหนต่อทีไหนไป เกี่ยวของเหลื่อมสาสันไลเ่เสิแต่ไปดูขอวัดปฏิบัติหรือไปศึกษาอัดธรรมที่เราสกคิดปฏิบัติท่านจะแน้สอนเราไปแบบไหนจะตรงตามความเป็นจริงหรือไม่นี่คือเป้าหลอดที่จะวัดให้ทราบว่าดีชั่วผิดถูกแค่ไหนในใจจะฟังจะล่มปากท่านพูดดีแล้วก็จะดีไปหมด ต้องดูการถกัูดปฏิบัติอีกตรงกันหรือไม่สอนเขาสอนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยทําทางดีทางดีแบบนั้นมันก็พอที่จะพิจ า, ารณาได้ตรงกันถามสอนสอนอย่างไรแต่า ก, การต่างมาต่างจ้า ก, ก็่าพูปฏิบัติ ตรงหรือไม่ต่อไปพิจรารณาภาษาไายอีสานสวายากเขีนพระถ้าไปดูฐานคือดูส้วมอยากเห็นส้มพานถ้รู้เน่นน้อย <c oughs> นี่ภาษาไทยอีสานเป็นาฤฤภาษิดธรรมดาส้วมเป็นของสาธารณะถากพ ร, ะ, าาระไม่มีทำรรดีในส้วมมันโกโป๊กเพราะเป็นของสาธารณะไม่รักษาไม่ปัดไม่กวาด สาบอะไรต่ออะไรเหม็นขุ่งอยู่นั่นนี่พระไม่มีธรรมไม่มีวินยัยพระไม่มีคุณความดีไปดูเด็ในสวมเท่านั้นก็ทราบว่าเป็นพระที่มีขอวัดปฏิบัติหรือไม่เห็นสมภานไปดูเน้นน้อยเน้นน้อยเป็นที่รวมของคนถ่วไปมีนิสัยแบบไหน ใครๆก็ไปหยวไปยุไปฝูด ไ, ไปคุยกับแน่นตัวไหนน้อยอ่ะค่ะเนนอยู่ในวัดนั้นมันครูบาอาจารย์ของมันมีอัศมีธรรมมันจะต้องระวังรักษากายวาจารของมันค่ะครูบาอาจารย์กุหลาบคูใหญ่ในวัดในว่ามีมีอัศมีธรรมเนนมันก็เล่นไปตามเหลืองของเนนเล่นไปตามเหลืองของเด็ก ยังดูพระ้ามีดูหูมีฟังใจมีคิดก็พิจานณาไป ก็ดีอย่างมันจะได้เลือกอะไรเป็นอะไรกันถ้ามันมีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เลือกค่ะยิงผ้าพแพ้เขาขายอยู่ในยตลาดสีมันไม่เหมือนกันเนื้อหน่ยเหมือนกันแต่พอพอเอามาขายก็ได้ขายอยู่นะพ้าเจ้าผ้าสลวงเราขอทานองเดียวกันมันมีมากเลือกเอา แล้วชอบเนื้อแบบไหนสีแบบใดสีดำกุก ม, มีคนนิยมซื้อสีเหลืองสีเขียวสีขาวหายได้ใช่้นแล้วชอบสีอะไรอาจารย์พระสงฆ์ผมมีมากวัดวลาก็มีมากชอบวัดไหนครูบาอาจารย์ตรงใดก็ไปได้ไม่มีกฎหมายห้าม ตับโทษมีเซรีที่จะเลือกหาตามความต้องการของตัวใครมีปัญญาก็าได้ของดีเท่านั้นใครโง่ก็ไม่ได้อะไรไหนของเน่าของเสีย ทองเจดทองป้อมทองจรก็ยอมสีเดียวกันข่าเหลืองเหมือนกันหมดมก็เลยดูยากต้องอาศัยประลอดสร้างประลอดขึ้นหรือสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นในใจสร้างหน้าสร้างตาเพื่อปฏิบัติศึกษาธรรมวินยัยลงมือปฏิบัติตาม เห็สมาธิปัญญามันมีในกายวาจาในใจของเราแล้วเราเคยเป็นเคยเห็นในการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างไรเราจะไปวัดได้เห็นตลอดในตัวเี็นอยากจะ อยาก้าใจว่าดีชัวแข่ไหนบริสุทธิ์หรือสกปรปกนั้นสองอาศัยอยู่ด้วยกัน น, น, นานๆรู้จักสมาธิ